ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธาชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงพูดเรื่องใต้ร่มพระโพธิญาณต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าประทับจูที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพหรือเรีย ก, กว่าต้นโพซึ่งนามเดิมของต้นไม้ชื่อว่าอัศตก ร, รึกนั้น ได้ทรงพิจารณาปจจยาการในสายเกิดอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วในตอนต่อไปก็ทรงพิจารณาในแง่ของสายดับคือว่าทำอย่างไรจึงจะดับกองทุกทั้งมวลที่เกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการได้ก็ทรงพิจารณาเห็นแจ้งแทงตลอดว่าเพราะความดับโดยไม่เหลือ ด้วยรีมักแห่งอวิชชาสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปก็ดับมายตนะก็ดับอายตนะดับปัสสัดับปัสสัดับเบทนาดับเบทนาดับตัณหาก็ดับตัณหาดับอุปาทานก็ดับอุปาทานก็ดับภพก็ดับภพก็ดับชาติก็ดับไม่ชาติดับเชรามรณะเป็นต้นก็ชื่อว่าดับตามไปด้วย และทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายว่ากองทุกทั้งมวลจะดับไปด้วยอาการอย่างนี้ส่วนความหมายขององค์ธรรมที่กล่าวมาแล้วก็เป็นความหมายในลักษณะเดียวกันแต่นั้นในที่นี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าด้วยค่าด้วยข้อประพฤติปฏิบัติที่ทรงศึสรูมาคืออริมารมัยองแประการ เมื่อบุคคลได้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็จะทำลายอาวิชชาให้หมดไปได้เมื่อวิชาซึ่งเป็นรากงาวของกิเลสทั้งมวลหมดไปที่จริงกระบวนการทั้งหมดอีก11ข้อมันก็ล้มไปแต่ว่าเป็นการชี้เห็นว่ามันเป็นกระบวนการอย่างนี้เมื่อวิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับก็ดับไปแถวไป ที่จริงเมื่อไม่ไม่มีวิชาสังขารวิญญาณนารูปอายตนาผัสสะเวีนนาตนาอุปาทานภพชาติมันก็ไม่มีอยู่แล้วตัวการสําคัญคือตัวอวิชาซึ่งเป็นรากใหญ่เพราะเมื่ออวิชาที่เกิดขึ้นในขณนะนั้นดับตัณหาอุปาทานต่อไปไม่ต้องพูดมันก็ดับไปด้วยปัญหาจึงอยู่ที่ว่าการจะดับอวิชานั้นดับได้ด้วยอาการอย่างไร อาการจะดับอวิชชาให้ขาดไปอย่างสิ้นเชิงนั้นจะต้องเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติในริมักมีองแปดประการอย่างสมบูรณ์หมดเลยจึงสามารถดับอวิชชาได้เพราะในมักทั้งแปดประการนั้นก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญา โดยหลักทั่วๆไปท่านก็จำแนกกิเลสไว้เป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบมันก็แก้ด้วยอรีมารัค3ามข้อคือสัมมาวาจาสมมากมันตะสมาชีวะซึ่งควบคุมอาการที่แสดงออกทางกายทางวาจาของบุคคลแม้กระทาอะไรพูดอะไรไปตามอำนาจของกิเลสในด้านกิเลสอย่างกลาง ซึ่งเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นแต่เป็นพิษเป็นภัยเฉพาะบุคคลนั้นบุคคลสามารถดับได้ด้วยอริมัคอีกสข้อคือสมาสติสมาวายามะสมาสติสม า, ส, ส, มาสมาธิาส่วนกิเลสอย่างละเอียดที่นอนสงบนิ่งอยู่ในจิตสันดานคือก็คงมีวิชาเป็นฐานใหญ่อยู่นั่นเอง กระดับได้ด้วยสมาธิทิก็บสมาสังกัปปะซึ่งเป็นส่วนปัญญาศิกขาแต่นี้เป็นการพูดจำแนกในลักษณะที่ ก, กว้างๆแต่นั้นเองเพราะในชั้นของการปฏิบัติแล้ว ท, ทั้งหลายจะพบว่าแม้การปฏิบัติในขั้นศีลนี่จะทําให้สมาธิเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นพอปฏิบัติถึงชั้นสมาธิศีลก็ประณีตขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้น พอปฏิบัติถึงชั้นปัญญาก็กลับมาชำระศีลให้หมดจดขึ้นสมาธิให้บริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็บัญญาก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นศีล ส, สมาธิปัญญาจึงเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําให้ปริมาณของกิเลสเกิดลดไปเห็นว่าเราลดโลคโปรดดงระดับศีล้โลคโกรดดงระดับสมาธิมันระดับที่จะต้องแก้ด้วยสมาธิมันก็ลดตามไปด้วย เมื่ออริยมรรคปฏิบัติโดยสมบูรณ์นท่านเรียกว่าเป็นมรรคสามังคีคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองก็คล้ายๆกับว่าเครื่องปรุงอาหารที่คลุกคร้าเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะก่อให้เกิดเป็นรสขึ้นมาตามที่ต้องการอริยมรรคมีองค์แปประการที่จริง8ปประการนี้เป็นองค์มรรคคือไม่ใช่ตัวมรรคเป็นองค์ของมรรคคือเครื่องประกอบของมรรคเท่านั้นเององค์มรรคที่แท้จริงท่านเรียกว่าสัมมาญาณะ คือความรู้ในทางที่ชอบซึ่งเกิดผุดขึ้นภายในใจของบุคคลผู้ปฏิบัติในสมบูรณ์ในอรมิมักมี8ประการเป็นลักษณะของความรู้ที่ผุดขึ้นเมือ่อกลดอาหารที่ปรากฏขึ้นจากการผสมอย่างมีสัดส่วนของเครื่องปรุงทั้งหลายสมาญาณนะคือความรู้ในทางที่ชอบนั้นก็คือความรู้ในอริยสัจ ท, ทั้ง4่ประการซึ่งก็ผ่านมาบ่อยๆนะ องธรรมก็จะหมุนไปเจอเอาอริยสตัตว์ทีเรื่อยๆเพราะว่าอริยสัตวนั้นเป็นที่สรุปรวมแห่งธรรมะทั้งหลายอาสมาญาณะคื อ, อความรู้ชอบซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลก็จะทำหน้าที่ขจัดความไม่รู้ออกไปเพราะฉะั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงรับสั่งเล่าเราจะใช้คาว่าความรู้ในเรื่องอดีตของพระองค์ คือระลึกขันธ์อาตุอจตนะในอน ด, ดีตได้เกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นในส่วนนี้อวิชชาดับไปซึงก็ะหมายความว่าพอบรรลุพระยานข้อที่หนึ่งนั้นอวิชชาในเรื่องสังสารวัฏที่ผ่านมาก็ดับเพราะวิชาในเรื่องนี้บังเกิดขึ้นพอถึงยามที่สองแห่งราตรียานสัมมาญาณนะคือยานความรู้ชอบก็เกิดขึ้น ในส่วนที่เรียกว่าจุตู ป, ปาฏิญาณคือการจุติการเวียนว่ายของสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นอวิชชาในเรื่องนี้ก็ดับพอมาถึงยามที่สามแห่งราตรีสัมมาญาณะที่เป็นเหตุทำอาสวะกิเลสให้หมดไปจากปัจจัยของปรองคก็เกิดขึ้นอวิชชาในส่วนนี้ก็ดับไปก็เป็นว่าอาวิชชาดับอย่างสิ้นเชิง เมื่อดับทุกกระบวนการมันก็ดับเพราะว่าการกระทําของพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นโดยเฉพาะพระอระหันต์ไม่ใช่พระอริยเจ้าตัวๆไปพระอระหันต์การกระทําทุกอย่างเขาเรียกว่าเป็นกิริยาจิตตังคือศักด์แต่ว่ากิริยาท่านั้นไม่กอ่อให้เกิดบุญเกิดบาปเพราะถ้ายังเป็นบุญเป็นบาปอยู่ก็ยังเป็นสังสารวัฏคือการเวียนว่ายแต่เกิดจบการพูดถึงความดีนั้นภาษ า, าศาสนานั้นพูดสองชั้น ส่วนมากแล้วเราจะเรียกว่ากุศลกุศลแบ่งออกเป็นสองชั้นเรียกว่าวัตกามีกุศลคือกุศลระดับวัตตะเป็นการเกื้อกูลแก่ชีวิตให้มีความสุขความสงบความประนีตขึ้นโดยพบโดยชาติโดยขันอายตนะเนี่ยคือรูปร่างอะไรตัวอะมก็ดีขึ้นพบชาติก็ประณีตขึ้นสงบขึ้นสงูนสงขึ้นแต่ก็ไม่ถึงก็หลุดพ้นจากกระแสะแห่งสังสารวัฏการกระทำความดีระดับนี้บางครั้งก็เรียกบุญบางครั้งก็เรียกว่ า, ากุกาศล บุญจึงเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดบาปจึงเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดแม้แต่รูปปัจจานรูปปัจจานก็เป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเพียงแต่อภิชาบัรจางลงภพชาติประณีตขึ้นรูปร่างคนประณีตขึ้นสถานที่เกิดประณีตขึ้นอะไรแต่อะไรต่างๆก็ประณีตขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นตลอดถึงจิตใจก็ประณีตขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในสังสารวัฏนั่นเองส่วนชั้นหนึ่งท่านเรียกว่าวิวัตกรรมี วิวัตการนีมีนั้นไม่มีบะไม่มีบาป ไ, ไ, ไม่มีบุญนะพระอระหันต์ท่านจึงเรียกคําอีกคําหนึ่งเป็นภาษาบาลีว่าป ah ุญญะปาปะปหีโนคือเป็นผู้มีบุญและบาปอันละได้หมดแล้วพระพุทธเจ้าทํางานช่วยเหลือโลกมาเป็นเวลา45หปีไม่ได้บุญเลยเพราะว่าเป็นเพียงกริยาเป็นเพียงกริยาเท่านั้น เมื่อกิเลสคือวิชาได้ถูกถอนรากถอนโคนไปแล้วการกระทาทั้งหมดจึงไม่เกิดเป็นบุญเมื่อไม่บุญมันก็ไม่มีทั้งสังขารทั้งคือทั้งบาปทั้งทั้งบุญแล้วก็ทั้งส่วนที่เป็นรูปประจัรูปประจันเพราะเหตุนี้นามรูปในการต่อไปจึงไม่มีแต่นั้นพระอราหันต์ทั้งหลายเวลาท่านบรรลุอรหัดเป็นพระนนั้นจะเกิดญาณเหมือนกันหมดทุกอง่ายคือ เ, เกิดญาณรู้ว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้ว แล้วก็รู้ว่าชาติพบต่อไปก็สิ้นแล้วไอ้กิจที่จะควรทําเกี่ยวกับการละบาปบาเพ็ญบุญทําจิตได้ผ่องแผ้าก็จบพิธามเสร็จแล้วและกิจอื่นในลักษณะเดียวกันทํานองเดียวกันสําหรับตัวเองก็ไม่มีอีกต่อไปถ้าทําก็ทําเพื่อคนอื่นเท่านั้นเองเป็นการช่วยแนะนําขัดเกลาจิตใจของบุคคลอื่นให้มีความสงบผนิขึ้นนี่ก็เป็นกระบวนการที่มันดับแต่ว่าทรงชี้ในรูปของกระบวนการใกล้ยๆกับอะไร ที่ภาษาการเมืองก็เรียกว่าโดมิโนโ่นคือมันล้มแต่ไพ่มันลม้มแลม้วมันก็ล้มกันไปเป็นแถบการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งในกรณีนี้เราจะเห็นว่าอย่างกระแสน้ำกระแสลมกระแสไฟถ้าหากว่าไอเหตุปัจจัยมันหมดน้ำมันก็ไม่มีแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงน้ำก็ต้องมีเพราะเหตุปัจจัยแห่งความเป็นน้ายัางมีอยู่ อกิเลสภายในใจของบุคคลตลอดถึงกรรมถึงวิบากต่างๆมันก็เกิดหนุนเนื่องกันมาโดยตัวการอาวิชาเป็นเป็นหลักใหญ่พอวิชาดับบุญบาปก็หมดเมื่อบุญบาปก็หมดไอาการยุติสังสารวัตรนะครับที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีสมภาระองนะฮะสมภ า, ารระาหันทั้งหลายก็จะเกิดญาณขึ้นในลักษณะอย่างเดียวกันอพอ จบครั้งหนึ่งพิจารณาจบครั้งหนึ่งเป็นการทบทวนพระไทยแต่นั้นเองของพระองค์นั่นคือเสร็จไปแล้วแต่มองดูในแง่ของกระบวนการก็สองชั้นเดีย๋ยวท่านจะเห็นว่าสายเกิดมันก็เป็นวัตถกามีคือเวียนว่ายตายเกิดจนนั่นแหละแต่ก็ทรงสอนให้ชำระอวิชามันจางลงหน่อยเพื่ออะไรเพื่อสังขารมันจะเป็นกุศลมากขึ้นวิญญาณมันจะประณีตวิญญาณจะสูงขึ้นวิญญาณสูงขึ้นนามรูปก็ประณีตขึ้น นารูปประณิษฐาจตนะมันก็ดีขึ้นแล้วภาษาสิ่งที่เรากระทบก็จะดีขึ้นเวทนาก็จะเป็นสุขมากกว่าเป็นทุกข์ตันหามันก็ไม่อยากเกินไปนะอุปาทานมันก็ไม่แม้แต่วุ่นวายมากนักภพก็ประณีตขึ้นชาติก็ประนีตขึ้นนั้นก็คือชั้นของสายเกิดธรรมะระดับสายเกิดของในสังสารวัฏนั้นก็ทรงแสดงพวกกุศลพวกกุศลไว้ด้วยประการต่างๆซึงก็ไม่ได้หมายความว่าจะดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง แต่ว่าก็ลดปริมาณของความทุกข์ความเข้มข้นของทุกข์ที่เจือจางบาบาลงไปพอมาถึงชั้นสายดับจะ ท, ทรงมองในแนวดับอย่างสิ้นเชิงนะฮะไม่ไม่ใช่ดับบางระดับเป็นการดับอย่างสิ้นเชิงจริงๆต้องดับที่อวิชชาดังนั้นความยุติกันสอดคล้องกันของพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงน ะ, ะอย่างในกรณีของสังโยชน์สังโยชน์สิก็อวิชาอยู่ล่างสุดคือวิชาพระอนาคามีเองอยังละอวิชาไม่ได้หมด ต้องระดับพระอาหารหันตานั้นจึงจะละได้ละได้ทั้งหมดแต่ว่ากิเลสประเภทนี้มันก็จางๆลงไปแยะและภายในจิตใจของท่านนั้นถึงจางก็มีนะถึงแม้จะจางก็ถือว่ายังมีอยู่พระอาหารหันต์จึงชื่อว่าละได้อย่างสิ้นเชิงแท้จริงในการพูดพระองค์ทรงพิจารณาในแง่ดับอย่างสิ้นเชิงดับเช่นที่พระองค์ดับนะับซึ่งก็หมายความว่าเมื่อคนอื่นได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับพระองค์ก็จะดับได้เช่นเดียวกับพระองค์ แล้วก็ทรงพิจารณาโดยเปล่งเป็นพระพุทธอุทานวิญยาณฮาเวปาตุวันได้ทำมาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าเมื่อใดยานปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพรามนั้นย่อมหมดสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุ อันนี้ก็เป็นพระพุทธอุทานตอนต้นเป็นการมองสิ่งทั้งหลายที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการแต่ว่าใครก็ตามที่ใช้ความเพียรพยายามมีสติมีสัมปชัญญะถึง เ, เวลาพระองค์ทรงแสดงสาหรับพระองค์เองนั้นทรงใช้คำสามคำเหมือนกัน เ, เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่แล้วก็ได้บรรลุมรรคผลเหล่านั้น องธรรมก็คล้ายๆกันนะองค์ธรรมก็อันเดียวกันคือความไม่ประมาทมันก็คือความไม่ขาดสติความเพียรก็คืออาตาปิมีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะประพฤติให้ได้ตามที่ทรงประสงค์ก็เป็นเรื่องของสัมปชัญญะเรื่องของปัญญาที่ทําหน้าที่สอดส่องพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเกิดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์แต่ว่าด้วยความเพียรพยายามเหล่านี้ ความรู้ก็จะเกิดขึ้นไปในจิตใจของบุคคลนั้นแต่จะาถามว่ารู้อะไรก็รู้ธรรมทั้งหลายพร้อมทั้งเหตุคือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันมาจากเหตุทั้งหมดถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่เกิดดังนั้นการศึกษาการปฏิบัติทุก ข, ขั้นตอนในทางพระพุทธศาสนาท่านจะเห็นว่าการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าในข้อที่ 2, สองก็สแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจรองตาไม่เห็นจริงได้ ไปถึงสาวปริสธรรมก็อีกอะแต่บริสธรรมก็อัฏฐานยุตารู้จักเหตุธรรมันยุตารู้จักผลแต่ว่าต้องรู้จักเหตุเส ก, ก่อนเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดมาจากเหตุทั้งหมดแล้วพอมาแสดงสรุปพระธรรมเทศนาก็สรุปอย่างที่ก็ถือว่าเป็นคําสอนที่เป็นหัวใจพระพุทธาศาสนาไง ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระธรรมคตเจ้าสถิตแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสัพณะมีปกติจัดอย่างนี้เพราะว่ในแง่ของกระบวนการทั้งหมดท่านจะเห็นว่าสายเกิดเมื่อวิชาเกิดสังขารเกิดสังขารเกิดปัญญาณเกิดปัญญาเกิดนารูปเกิดมันเกิดเป็นแถวไปเลยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไปเกิดดับจะได้จึงเป็นพระอุตเป็นพระพุทธอุทานอีกช่วงหนึ่งไอกระบวนการทั้งหมดมันก็ดับ พ อ, พอเรามามองสิ่งอื่นทั้งหมดในวิถีชีวิตของบุคคลเราจะเห็นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเหตุทั้งหมดเลยแต่บุคคลสร้างเหตุที่ดีผลที่ดีก็จะบังเกิดขึ้นาสร้างเหตุไม่ดีผลที่ไม่ดีก็จะบังเกิดขึ้นเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นมันเกิดไปตามเหตุแล้วันก่อนนี้ไปที่กองพลเก้าไปพบเอะภาษิต ท, ที่เขาเขียนไว้คมนะ เขียนประคมที่จริงก็เป็นการแปลพระพุทธภา ษ, ษีแต่ก็แปลเป็นไทยและขวังแล้วคมดีก็บอกว่าความดีทํายากลําบากแล้วสบายความดีนั้นทํายากลําบากแล้วสบายคือมาไขทีหลัง เ, เป็นการแสดงว่ า, าการกระทําความดีนั้ น, นเป็นการฝืนกระแสกิเลสฝืนกระแสอารมณ์ขึ้นไปยากมากโดยเฉพาะสมบพคนที่มีเชื่อความดีหยุดน้อย แต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเป็นการเอาความทุกข์ความเดือดร้อนมาลงทุนเราอาจจะลําบากในตอนต้นแต่จะสบายเมื่อปลายมือมองอีกทีหนึ่งใกล้าก็เป็นดุลอย่างหนึ่งของธรรมชาติคือใกล้ๆกับชีวิตของเรานั้ น, น, นมาก็สุขทุกข์นะฮะมีสุขมีทุกข์อยู่มีเหตุทั้งทุกข์แต่ก็เหตุทั้งสุขใครเอาความสุขไปใช้ก่อนตอนหนุ่มๆสาวๆเ ว, วลาแก่ก็ต้องลําบาก ใครเอาความทุกข์มาใช้ซะก่อนตอนหนุ่มสาวเวลาแก่ก็จะสบายดัน น, นก็คือตามหลักที่ว่าเนี่ยการความดีทําได้ยากลาบากแล้วก็สบายลาบากแะก่อนต้องทนต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิบกเลสต่อความทุกข์ทรมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความยั่วยุยั่วยวนจากภายนอกนั้นเราต้องต่อสู้กระแสอารมณ์เหล่านี้มากก็แสดงว่า ทั้งกายทั้งใจจะต้องมีความเข้มแข็งมากพอที่จะต้านทานอารมณ์เหล่านั้นไว้ได้แล้วก็ไม่ถูกอารมณ์โลกจุดประชากลากพาไปในขณะที่กำลังกระทําประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นก็ประสบความเดือดร้อนลําบากเอามากทีเดียวแต่ในสุดก็สบายก็คล้ายๆกับพระพุทธเจ้าก็ปางตายนะฮะว่าพระพุทธเจ้าที่จริงบำเพ็ญเพียรเด่ก็ปางตายเกือบตายใช้เวลาตั้งหปีแต่ว่าในาที่สุด พระองค์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงก็เป็นความสุขที่ถาวรแล้วก็ลดเลยไปหน่อยนั่นก็อีกละความทุกข์ทำได้ง่ายสบายและลำบากคือความความไม่ใช่ความชั่วทำได้ง่ายสบายและลำบากนี่เป็นการพูดถึงคนทั่วไปนะฮะมันก็ไม่ไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาพุทธภาษิต ท, ทั้งหมดหรอก พระพุทธภาษิต ท, ทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าทรงกําหนดเอาที่คนแต่ความง่ายหรือความยากนั้นอยู่ที่คนไม่ได้หยุดที่สิ่งซึ่งเรากระทำปัญหาว่าใครกระทาสิ่งนั้นจะง่ายหรือยากมันก็ขึ้นอยู่กับเป็นกรณีกรณีไปนะอย่างว่าทําอาหารถ้าหากว่าให้แม่ครัวเข้ามาทํามันก็เรื่องง่ายแต่คนทั่วไปกลับมาทํามันก็ยากหน่อยหรือว่าทำในสิ่งที่คนนั้นก็มีความจํานี้ชํานาญอยู่มันก็ง่ายสำหรับคนนั้นแต่อาจจะยากสำหรับบุคคลอื่น พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้พูดถึงลักษณะของสิ่งที่ทำแต่พูดถึงลักษณะของผู้ทำว่าใครเป็นคนทำมากกว่าอะไรที่เขาทำดังนั้นจึงทรงแสดงว่าความดีอันคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากมันอยู่ที่คนนะครับความดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากพอมาพลิกกลับมาเป็นความชั่วอีกความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทาได้ยาก นี่ก็คือคนเป็นตัวกําหนดความยากง่ายของสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพื้นฐานทางใจของคนนะครพื้นฐานทางใจของคนที่มีความรู้มีกิเลสมีอารมณ์มีอะไรอยู่ก็ตามเนะ่ยเป็นตัวกําหนดไอ้สิ่งนั้นยากหรือง่ายเพราะเราจะพูดไอ้สิ่งนั้นยากยากสําหรับใครเราก็ไม่รู้สิ่งนั้นอาจจะง่ายสำหรับคนหนึ่งแต่ยากสำหรับบุคคลหนึ่งจะยังไงก็ตามคือคําพูดในแนวนี้มันก็คมคมพอสมควร น, น ะ, ะสำหรับทหาร ทหารเขาคิดทหารนี่เขาเก่งนะฮะตามค่ายทหารนี่จะมีป้ายอยู่เยอะเลยหมดเลยบางทีป้ายแผ่นเดียวก็พอแล้วนะะแต่ว่าปัญหาสําคัญว่าคนไทยเรานั้นแก่คําขวัญแก่ป้ายแก่ประกาศนะะแต่ก็ไม่ได้ทําตามนั้นหรอกร้องเพลงชาติกันมาตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็ไม่ได้คิดทําอะไรตามเพลงชาติกันเลย เ, ออเช่นว่าเราก็มองนะฮะชาติของเราจะดํารงคงอยู่อย่างมั่นคงได้ก็เพราะอะไรนะ อยู่ดำรงคงไว้ได้ท้องนวนในไทยล้วนหมายรักสามัคคีนะเรารู้นะที่จริงว่าสามัคคีนั้นเป็นเหตุให้เกิดการดำรงอยู่อย่างมั่นคงแต่ก็ไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่ตอยนั้นรักสงบก็ไม่่อยรักสงบเท่าไหร่นะแต่ถึงรบไม่ขาดก็กล้าหาญนะบอกว่าไม่ขาดมันก็ขาดกันพอสมควรแล้วก็ไม่่อยเอาอะไรกันเท่าไหร่นะสาะเลือดทุกหยาเป็นชาติพีนะ ก็สละพร้อมที่จะสละแม้แต่เลือดเป็นชาติพีนะแล้วก็จริงมันก็เห็นแก่ตัวกันแยะเลยแก่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเลือดหรอกแม้แต่ว่าวัตถุสิ่งของเหลือใช้ก็ไม่อยากที่จะเสียสละเพราะงั้นในตัวเหตุนี่เราก็รู้นะฮเหตุเนี่ยที่เหตุคือเกิดความมั่นคงภายในชาติเนี่ยเราก็ร้องเพลงกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่วก็จริงเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปประพฤติปฏิบัติตามเหตุเหล่านั้นเพราะงั้นเมื่อไอเหตุมันไม่ได้รับการประพฤติปฏิบัติผลที่พึงประสงค์มันก็ไม่เกิดขึ้น เหตุผลททั้งหลายนั้นเมื่อบุคคลพิจารณาถึงเหตุแล้วเนี่ยพิจารณาถึงเหตุเห็นเหตุแล้วมันก็โยงผลไปได้แล้วก็โยงไปได้ไกลๆคือไม่ได้โยงเฉพาะปัจจุบันใกล้ๆแต่เราโยงไม่ใช่ไม่จะโยงเฉพาะอนาคตใกล้ๆแต่เราจะโยงไปถึงอนาคตไกลๆเพราะมีแบบมีตัวอย่างมีอะไรอยู่เป็นอันมากที่ทําให้เราเรียนรู้เข้าใจถึงสิ่งเหล่านั้นคือมองเหตุแล้วก็เล็งไปที่ผลได้ อย่างในอริยสัจนั่นแหละคือสูตรของอริยสัจถ้ารู้ว่าทุกขนั้นเป็นผลที่มาจากเหตุคือสมุทยัยก็ลดละตัวเหตุคือสมุทยัยความทุกข์ก็ชื่อว่าลดตามไปอ น, นิโรธเป็นผลที่มาจากมรรคก็เพียนพยายามปฏิบัติมรรคตนก็จะสัมผัสนิโรธสูงขึ้น พอมาถึงยามที่สองแห่งราศีก็ทรงพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะพิจารณาในแนวเดิมนั่นเองคือพิจารณาทั้งสายเกิดสายดับอภิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเป็นต้นนำมาสรุปประกองทุกทั้งมวลเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แล้วก็พิพจารณาสายดับเอาเมื่อวิชาดับสังขารดับแล้วก็เรื่อยไปถึงชาติรามรณะดับแล้วก็ความดับแผงกองทุกทั้งมวลเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เสร็จแล้วก็ทรงเป่งพระพุทธทาน พระพุทธานนั้นคล้ายๆกันนะฮะขึ้นต้นรำบาลีเหมือนกันแต่มันผิดเฉพาะวักหลังแต่นั่นเองเออช้คคำบาลีว่ายะดาหเวปาตุพวันดิธรรมมาอาตาบิโนชายะโตพรามนัสสะอาทัสกังข่าววัปยันติสบายะโตขยังปัติญานางอเวดีเมื่อใดพรามทั้งหลายมีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพรามนั้นย่อมหมดสิ้นไป เพราะมารู้ความสิ้นแห่งเหตุปัจจัยทั้งหลายคือมารู้สายดับอะรู้สายดับหมายความว่าถ้าวิชาดับสังขารดับสังขารดับปัญญาก็ดับก็รู้ดับหมดความทุกข์ก็หมดสิ้นไปหรือว่ามารู้ว่าทุกข์นี่ดับเพราะอะไรเพราะว่าตัวเหตุมันดับอันนี้โรธบังเกิดขึ้นก็เพราะตัวมรรคมันบังเกิดขึ้นแล้วแม้แต่เรื่องอื่นก็ทํานองเดียวกันนะฮะ ท่านทั้งหลายได้โปรดเข้าใจว่าสูตรของอรเยสัตตนั้นเป็นสูตรที่ครอบงำํำสิ่งทั้งหลายในโลกไว้ไม่ว่าอะไรก็ตามคือกลุ่มของธรรมะทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าทรงสัรสรุปมานั้นว่าที่จริงมันก็อยู่ในอรเยสัตว์ทุกข์สัตว์นั้นก็คือปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาเกิดเป็นไปาตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะฮะไม่ว่าอะไรก็ตามก็อยู่ในกลุ่มของทุกข์สัตว์ กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของกุศลและธรรมทั้งหลายมันก็อยู่ในกลุ่มของสมุทัยสัตว์กลุ่มป้าหมายทั้งหลายก็อยู่ในนิโรธสัตว์กลุ่มข้อปฏิบัติทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อทำลายมูลเหตุแห่งความทุกข์ทั้งมวลก็อยู่ที่มรรคสัตว์แล้วเพราะงั้นถ้าหากว่าบุคคลอาศัยกฎของอริยสัตว์ที่ได้ศึกษา จำเหนียกจำทรงไปแล้วก็ใช้ในการวินิจฉัยตัดสินปัญหาต่างๆในชีวิตของตนเห็นเช่นยกตัวอย่างว่าเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันก็ตั้งปัญหาที่จริงทุกสมุทัยในรถมาร์กเนี่ยก็คือคําถามสี่คำถามที่บุคคลจะพยายามสแสวงหาคําตอบทุกก็คืออะไรทุกก็คืออะไรก็รู้ว่าเป็นอะไรแต่นั้นเองอแก่เจ็บตายโศก ร, ร่ําไรรําพันทุกเสียใจครับแค้นใจมันก็เป็นอะไร เราจะตอบว่าเป็นอะไรเท่านั้นแต่เราก็ไม่ใช่ไปแก้ไขอะไรที่ตรงนั้นเพราะสมุทัยก็คือมาจากไหนได้แก่ตัวสมุทฐานของโรคของความทุกข์ของอะไรก็ตามคือต้นเหตุที่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาได้แก่การแสวงหาคําถามว่าสิ่งเราเนี่ยมาจากไหนซึ่งตามปกติแล้วการแก้ปัญหาแบบแบบโลกโลกนะฮะไม่ได้ตามพุทธวิธีมักจะแก้ปัญหาแล้วเป็นการสร้างปัญหา แทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็คือแก้ปัญหาปัญหาบางอย่างที่เราแก้ไปนั้นเราแก้แล้วก็มีลักษณะของการสร้างปัญหาให้ทัตวีขึ้นบางครั้งบางคราวมันก็เป็นวงจรฮะที่จะหมุนกลับมาอีกทีหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นในคราวเวลานี้เขาก็จับอะไรพวกผู้หญิง ไปไหว้ที่แถวปากเกร็ดการนะฮะเราก็ดูเฉพาะจุดนั้นเราก็ชื่นชมแต่เรามองในแง่วงจรเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันมันจะออกไปวงกลมนี้ได้ยังไงวันก่อนนี้ก็มีคนมาปรารถถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอยากจะขอมาช่วยพูดออกบทรัศน์มาก็อธิบายวงจรในความว่ายัางนึกไม่ออกมันจะออกจากวงกลมได้ยังไงเพราะอะไรเพราะว่าคนเหล่านี้ปัญหาขั้นพื้นฐานจริงๆก็คือความยากไร้ายกับความไม่รู้ เป็นปัญหาพื้นฐานที่ทำให้มาประกอบอาชีพอย่างนี้หรืออาจจะถูกหลอกลวงก็เกิดมาจากความไม่รู้อีกล ะ, ะการที่แกไม่รู้ก็เพราะแกยากไรนะฮะแกยากไรเป็นเหตุให้ไม่รู้มันก็เป็นวงจรในหมดุดไม่รู้จะทำไงเหมือนกันน ะ, ะทีนี้เราก็ให้ความรู้แกนะฮะสมมติเราให้ความรู้แกที่บ้านเกิดการฝึกอาชีพอะไรก็ตามนะฮะแล้วแกก็ไปมีวิชาชีปัญหาว่าสังคมยอมรับแกบไหม สมมุติว่าสังคมยอมรับและรายได้นั้นพอที่จะจุนเจือครอบครัวที่แกกำลังหาทางแก้ปัญหาอยู่ไหมแต่าแก้ปัญหาไม่ได้หรือว่าเราให้ความรู้ไปแต่ว่าไม่มีงานให้ทำหรือมีงานให้ทำแต่ไม่มีเงินคุ้มกับค่าการครองชีพของแกหรือว่ามีเงินแต่ก็ไม่สามารถที่จะที่จะแก้ปัญหาซึ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งครอบครัวแกกำลังเชิญอยู่ได้ในสุดมันจะหมุนเข้าวงจรเดิม วงจรเดิมคือต้องไปสู่อาชีพเดิมอีกก็ไล่เที่ยวไล่เที่ยวคือแก้ปัญหากันอยู่อย่างนี้นี่คือลักษณะของวงจรปัญหาบางอย่างเราแก้แล้วมันไม่ได้ออกจากวงจรจึงเป็นการอะไรที่โบราณใช้คำว่าปัดสวะคือปัสวะพ้นหน้าบ้านไปก่อนพ้นหน้าบ้านไปก่อนนะวันหลังก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งออพอพอได้ขยะกองใหม่มาเราก็ปัดสวะพ้นไปทีนะี่ปัญหาบางอย่างจังมีลักษณะทับทวีคือแทนที่เราจะ เราจะแก้ปัญหาให้มันถูกตัวปัญหาจริงๆคือมูลเหตุของปัญหาอย่างกยกตัวอย่างว่าปัญหาทางสังคมที่เราพูดกันเวลานี้นะฮ ะ, ะปัญหาทางสังคมเวลานี้ก็คือความยากไร้ซึ่งประชา ก, กรของเราก็มี 11-13 ถึงล้านนะฮะยากไร้เอามากทีเดียวขนาดว่าทำมาหาไม่ไ ม, ไม่พอกินความยากไร้นั้นก็เกิดจากความไม่รู้แล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดถึงว่ามีลูกมากเกินไปเป็นต้นนะครับกนนี้ก็เป็นปัญหาทางสังคมซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่จริงตัวมูลเหตุมันก็อยู่ที่ความไม่รู้ความไม่รู้ก็ก่อให้เกิดความยากไร้และไม่รู้จากวิถีการครองชีวิตก็ก่อให้เกิดโรคนานาประการแล้วก็ไม่รู้จากการที่จะควบคุมการครองชีวิตให้อยู่ดีมีสุขมันก็เกิดปัญหามีลูกมากขึ้นมาเป็นต้นมันก็กลายเป็นวงจร เราก็รู้ว่าอาวิชชาคือคือตัวความไม่รู้เป็นตัวปัญหาแต่ก็จริงแล้วเราก็ไม่ได้ให้วิชาความรู้ที่จะไปแก้ปัญหาความยากลายนะแก้ปัญหาความยากลายก็ครับก็เราให้ความรู้บางอย่างแนีการวความรู้สมมุติเราความรู้ว่าคอครูอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่นึกนึกไปออกกันจะแก้ปัญหาอะไรได้เออเพราะว่าวิทยาลัยครูที่ที่เรียนกันตั้ง20่กว่าวิทยาลายัยเนีย มันมีนักศึกษาจบจบแล้วน่ากลัวนะฮะไม่ใช่จบหน้าดีใจจบหน้ากลัวเลยคือจบแล้วไม่มีงานทําแล้วมันก็เข้าวงจรเหมือนเดิมครับเราไม่ได้ออกไปจากวงกลมหล่อนี้เพราะจะตามตามตัวเลขนั้นสองสี่นะฮะนักศึกษาเราจบมาทํางานได้สิเปเซต์สองห้างานได้สิบเปอรสองหกทำได้แดเซนตนี่สองเจ็ยังไม่รู้นะว่าจะทำงานได้กี่คนนะ แล้วเด็กตั้งตั้งอีกเกิคนในร้อยคนเนี่ยจะทําไงเก้ิสองคนในร้อยคนเนี่ยปีนี้อาจจะอาจจะเป็นเก้าห้าแล้วมั้สองเจ็ดเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวเลขตอนนั้นอันนี้มันก็เข้าวงจรอ่ะมันก็หมุนอย่างเงี้ยเราก็แก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาบางอย่างจึงมีลักษณะเป็นบันเทาไม่ใช่เราได้แก้ปัญหาแต่ถ้าเราศึกษาถึงมูลเหตุจริงๆเราไปแก้ปัญหาว่ามาจากไหนก็แก้กันตรงนั้นเลยตัวการจริงๆมันอยู่ที่อวิชชาคือความไม่รู้ แล้วก่อให้เกิดความยากไร้ความยากไร้นั้นก็อาจจะมีเหตุปัจจัยหลายประการนะฮะแต่ว่าตัวการสาคัญก็อยู่ที่ความไม่รู้การให้ความรู้แก่มันต้องมีลักษณะที่เอือ้ออมหนวยให้แก้ปัญหายากไร้ได้แต่เวลาที้เราให้ความรู้แต่เราแก้ปัญหายากไร้ไม่ได้ก็ผิดบัณฑิติว่างงานขึ้นมาพศสองเนี่ยตามสถิติเขาบอกว่าจะมีคนว่างงานปีละ6 0,000 คน บันดิตว่างานปีละหกห 0,000 ื่นคนภาครัฐบาลจะทํางานะจะรับเข้าได้หมื่นสองภาคเอกชนจะรับเข้าได้หมื่นหมื่นแปดงก็ะหมายความว่าส 0,000 ื่นเนี่ยเรารับเข้าทํางานได้แต่อีกห 0,000 ื่นคือจะจบปีละประมาณ9 0,000 มื่นจึงึงจึงก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าจะทํากันยังไงคนเหล่านี้จะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะต้องหมุนข้าข้าหาวงจรเหมือนเดิมซึ่งเป็นปัญหาที่ออกจะยืดเยือย้อมาราธอนพอสมควรนะคร แต่ถ้าเรามองในแง่ของตัวเหตุปัจจัยคือตัวอะไรที่เป็นสมุดฐานใหญ่ก็เราก็แก้ตรงตรงนั้นได้ในที่สุดตัวความพุกคือตัวอะไรก็ชื่อว่าได้ถูกแก้ไปส่วนนิโรดนั้นเป็นเป็นเป้าหมายปัจจุบันนี้เรากำลังพูดเรื่องเป้าหมายกันว่าเราทําอะไรนั้นเราไม่ค่อยมีเป้าหมายยังไงว่าว่าเปิดนักเรียนสอนนักเรียนก็ไม่ได้มองตลอดถึงกระบวนการว่า อนาคตของแกจะไปอยู่ตรงไหนเด็กตรงนี้บางทีเราก็จบลนลนลนปุ๊บลงไปตอนรับปริญญาเสร็จนะได้เศษกระดาษมาแผ่นหนึ่งก็ทำอะไรไม่เกยได้อะไรอ๋อน้ำตาลไม่ได้จะกินโลแล้วกแกก็เกิดว่างงานก็อยู่ในสภาพที่ว่างงาน เป็นปัญหาที่น่าห่วงใหญ่คือเป้าหมายจริงๆนั้นเราไม่รู้เป้านะฮะและการการเป้าก็ยังอย่างว่าก็ค้าๆกับผิดสินค้าบางกองดูตลาดคือมันถ้ามันมันมันเกินในความต้องการของตลาดไอ้สินค้านะี้ยมันกราคาก็ต่ำหรือบางทีก็ขายไม่ได้การสร้างคนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นเป้าเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาก็คือตัวนิโรธนะนิโรธที่เรียกว่าเพื่อเพื่ออันไหนก็คือกลุ่มเป้าหมาย ที่บุคคลจะต้องก้าวเดินไปของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีเป้าหมายไว้ตามลําดับเรียกว่าตามอำนาตวาสนาบา ร, รมีคนแต่ละคนนะฮะคนบางคนวาสนาบา ร, รมีน้อยก็เอาสักเป้าหนึ่งแล้วกันนะเอาสักเป้าเป็นทิฏฐธรรมสุขคืออยู่ดีมีสุขในปัจจุบันมี่ขจัดความยากร้ายออกไปได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีมีความรู้ที่จะครองตนครองเรือนได้ไม่ถึงก็เดือดร้อนเกินไปนะฮะ พระองค์ก็วางหลักที่จะทํามีกถาประโยชน์เอาไว้ตระกูลมั่งคัง่งจะตั้งอยู่ได้นานพระประธานจีหลักการปฏิบัติภายในครอบครัวเรื่องชิดหกอะไรเนี่ยนั่นก็คือการบรรลุปเป้าหมายซึ่งก็เป็นเป้าหมายระดับหนึ่งที่ที่จะช่วยเหลือโลกและช่วยเหลือสังคมเอาไว้แต่ว่าในในที่นี้ทร ง, งแสดงเต็มรูปคืออย่าลืมว่าตอนนั้นพระองค์พิจารณาพระองค์นะฮะพิจารณาพระองค์เองพระองค์แต่สรู้ยังไม่ได้พูดเรื่องพระสมพระอะไรหรอก เพราะว่าตัดสรู้ใหม่ๆเท่านั้นเองพิจาจรณาเฉพาะดูที่พระไถ่ของพระองค์ก็เห็นว่าพระองค์เนี่ยหลุดพ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งเห ต, นะเหตุไอ้ผลก็นี่เหตรุรู้ทั้งเหตุทั้งผลก็หมายความมารู้ทั้งทุกสมุทิไถ่ในรถมรรคเลยรู้ทั้งตลอดกระบวนการของปฏจยาการหรือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจนั้นเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะเป็นเรื่องเดียวกัน ท่านทั้งหลายได้โปรดสังเกตว่าอาวิชชาตัญหาอุปาทานนะครอวิชชาตัญหาอุปาทานกรรมนี่ก็คือพวกสมุทัยสัตว์นารูปอริยตนะปัสสเวทนานั้นก็คือทุกขสัตว์แล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากความดับนั้นคือนิโรธสัตว์ตัวดับนั้นก็คือมรรคสัตว์แล้วจบก็เป็นอริยสัตว์อริยสัตว์แต่ว่าปรากฏรูปเด่นชัดออกมาในสมอริยสัตว์คือปรากฏทุกขสัตว์ ปรากฏสมุทัยศัตว์ปรากฏนิโรธศัสตร์ส่วนมรรคศาสตร์นั้นคือตัวผลตัวเหตุที่ก่อให้เกิดผลไม่ได้แสดงไว้โดยตรงแต่ว่าเมื่อผลเกิดมันก็ต้องสาวไปหาเหตุว่าผลที่จะดับวิชาได้คือเหตุมันอยู่ตรงไหนนั้นก็คือตัวอริยมรรคเพราะฉะนั้นในหลักปัจญาการจึงเป็นหลักที่นักวิชาการ น, ะนักวิชาการเขาเขาอะไรนะไอ้ที่บอกฝรัง่งแอคชั่นดีแอคชั่นกันอยู่เยอะแยะนะ กานั้เ น, นี่ย น, นี่แหละอาศัยปฏิกิริยาลูกโซ่ของปัจจ์การมันจะมีกระทําแล้วก็ทําตอบแล้วกระทากระทําตอบต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ตีกันไม่ตลอดไอตลอดสายแล้วมันตีมวงกลมด้วยปัญหาว่าตีเป็นวงกลมแล้วไม่รู้ใครกันใครใกล้ๆอะไรใกล้ๆใกล้มดมันอะไรที่มดเดินชนิดหนึ่งอะมันเดินเสร็จแล้วก็ตามกันไปแล้วก็กระบวนมันขาดขาดไปเกาะท้ายอตัวเ ตัวหนึ่งก็เลยหมุนเลยทีนี้หมุนกันหมุนก็นอยู่ยงั้นนะะหาออกจากวงกลมไม่ได้นี่ก็คือลักษณะของวงวัฏจักรท่านทั้งหลายจะเห็นว่าไม่ว่าอะไรก็ตามในชีวิตของเรานั้นก็จะอยู่ในวงวัฏจักรเราสร้างปัญหาเราแก้ปัญหาแล้วก็หมุนอยู่ในตัวปัญหาเหล่านั้นถ้าไม่รู้ว่าไอ้ตัวเหตุที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนยามใดที่เรารู้เหตุที่แท้จริงได้ยามนั้นเราก็หลุดจากวงกลมไปได้ เราดูแล้วทั้งหมดในโลกนี้มันอยู่ในวงกลมนะอยู่ในวงกลมตลอดเลยที่ทางศาสนาเรียกว่าวัตฏะชีวิตของเราก็ทําซ้ํำซากๆลองดูตั้งแต่เกิดมามันก็อยู่วงกลมอยู่วงกลมก็หมุนหมห ม, มุนไปหมุนมาอยู่ในวงกลมนั่นเองนะประสบอารมณ์ในโลกก็มีรักกระชังรักกระชังก็รักกระชังอย่างนั้นะตื่นขึ้นมาเช้าก็รักกระชังมาลื้อ น, นี้ก็รักกระชังอีกอ่ะก็อย่างงั้นฮนะหมุนอยู่ในวงกลมเราไม่เคยออกจากวงกลมไปได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวเหตุปัจจัย ตัวเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์นั้นเรายัางไม่ได้ละแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ธทำอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่หนุนเรื่องกันแล้วก็ดูตัวหัวใหญ่มันว่าอะไรนะมันรถไฟทั้งขบวนนะฮะแบบรถไฟทั้งขบวนถอดรัวรถจักรออกก็จบไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นอนเฉยอย่างนั้นเองแต่ว่าถ้าเราพูดให้เรียงเป็นแถวก็เรียงเป็นแถวไปได้นะพอหัวรถจักรหยุด โนะบกี้ที่หนึ่งก็หยุดบกี้หนึ่งหยุดหยุดบกี้สองก็หยุดจนนับไปสักกี่บกี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราพูดเฉยๆดับอวิชชาเฉยๆก็ได้เพราะงั้นบางครั้งพระองค์ไม่ได้แสดงแนวนี้นะไม่แสดงแนวนี้สอนถอนตันหาพร้อมทั้งมูลรากได้แล้วจบอิชาตโตเป็นนิพุโตชีวา่านิพานคือดับรอบแล้วเท่านั้นมันก็คือกันนะไม่จําเป็นจะต้องพูดทะยอยแบบลูกโซ่แต่ถ้าพูดทะยอยแบบลูกโซ่นั้นหมายความว่าพูดให้เห็นเป็นกระบวนการว่าถ้ากระบวนการมันจะหนุนเรื่องกันมาอย่างนี้ โดยวัาหาและเทศนาแล้วบางครั้งจะใช้คําสั้นๆธรรมดาธรรมดาซึ่งผลเป็นอันเดียวกันผลแบบเดียวกับปัจจัยการมันจะเข้าปัจจยการจะเข้าหลักอริยสัจสี่ทั้งหมดเลยพอมาถึงยามสุดท้ายแห่งราตรีทรงพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ขึ้นเหมือนกันยาดาหาเวปาตุพวันติี่ทำมาอาตาปิโนชายโยโพรหมนัสสัตอัฏฐสังฆ่าวัปปยันติสบาร ยะโตปชานาไม่ใช่วั ป, ปยานิสบาบุคคลนั้นขจัดความมืดเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขจัดมืดย่อมชนะมารและเสนามารได้เหมือนพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาขาจัดความมืดนี้ก็ชื่อวจบเป็นการทําลายกระบวนการจริงๆเลยคือคือจะเกิดความรู้ในลักษณะที่ทําลาย ตัววิชาเหมือนเหมือนอะไรเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาแล้วก็ขจัดความมืดทำโลกทั้งสิ้นให้สว่างไสวตัวยานปัญญาที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือจะทาลายมานพร้อมด้วยเสนามารทาได้มาทำลายมานพร้อมด้วยเสนาม า, ม า, า, มารมามาให้พินาศไปคำว่ามาในความหมายที่จริงๆนั้น ก็คือมารหาประการเด็กที่พระสูตรอะไรเคยผ่อนเคยพบมาทีถึงแล้วนะฮะมารห้าประการเป็นการรวบรวมของพระอัจฉริยาจารย์นะฮะคือพระอัจฉริยาจารย์ท่านอาศัยการสังเกตการวิเคราะห์จากจุดตรงนั้นตรงนั้นคล้ายๆกับขันติเนี่ยขันติในพระพุทธเจ้าแสดงทีเดียวไม่หมดหรอกคือจะพูดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นว่าถูกคนด่าก็จะพูดเรื่องขันติสักเรื่องหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วก็พูดเรื่องปถูกไอ้ปรากฏการธรรมชาติในน้ําท่วมอะไรต่ออะไรก็ไม่เราก็ต้องอดทนในเรื่องหนึ่งพูดเฉพาะสถานะนั้นๆแต่ทีนี้มาเราวิเคราะห์ดูว่าตรงเนี้ยตรงหมายตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงหมายตรงนี้ตรงนี้หมายตรงนี้สรุปว่าคันตินี่จริงๆมีเท่าไหร่เพราะในคันติมีเท่าไหร่นั้นเป็นการสรุปจากพรจัยวิโดกคือจากที่ต่างๆจากที่ต่างๆแล้วก็มาวางไว้ในที่เดียวกันไอ้มาห้ประการก็มีลักษณะอย่างนั้น มาเทีพระเจ้าทรงแสดงมากเป็นพิเศษนั้นก็คือกิเลสสมานกับเทพบุตรมานนะฮะกิเลสส ม, มานกับเทพบุตรมานเทพบุตรมานในว่ากันเป็นสังยุตสังยุตเลยว่ากันในสังยุตตนิการเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตอนตอนไปเลยนะพระเจ้าบิดดกเนี่ยเทพบุตรมานเนี่ยโปลหัวมาไปหลอกคนนั้นหลอกคนนี้วุ่นวาย แต่ว่าเมื่อสรุปแล้วก็จะพบว่ามีมารคือสิ่งที่ล่างผรานคุณธรรมความดีและทําให้บุคคลตกต่ําเสื่อมถอยไปด้วยประการต่างๆนั้นสรุปแล้วก็มีอยู่5กลุ่มด้วยกันนะฮะกาประการแรกก็คือขันธมารมารคือเบญจะขันธ์ของเราเนี่ยที่ที่ที่ที่ห้ามไม่ควางตักอะไรต่ออะไรนี่เราบงการบังคับแกไม่ได้มีปวดมีเมื่อยมีทุกข์ทรมานมีโรคภยัยไข้เจ็บเสียแทงก็เป็นประการต่างๆเป็นอุปสรรคขัดขวาง การกระทําความดีของเราบางทีก็มือเท้าไม่เอื้อม่วยให้ปฏิบัติความดีได้มันก็กลายเป็นมาร น, นะฮะตลอดถึงว่าการที่จิตเราไปยึดมั่นอยู่ในอุปาทานอัคารไอตัวมารใหญ่แต่ว่ามานี้ก็กลายเป็นกิเลสไป<อ>ต่อไปก็คือกิเลสสมานกิเลสสมานก็คือกิเลสทั้งหมดในที่นี้ใช้คําว่ามารเกษนา ม, มานนะฮะไอตัวมาร น, นั้นก็คือตั ว, ต, วตัวใหญ่ตัววิชาเนี่ยเรียกวิยา ม, มานเลยแล้วก็โลภโกรดหลงอันนี้ก็คือมารใหญ่ ทวนเสนามาณก็กิเลส ท, ที่มันอ่อนลงมาแต่นั้นเองนะครับว่ากิเลส ท, ที่มันอ่อนลงมารวมทั้งหมายทั้งพวกอ้ชารามรณะพวกโรคภัยค่าเจ็บทั้งหมเป็นมานะฮะเป็นมานที่คอยกัดขวางเราเอาไว้เช่นความริษยาความกระด้างโดยอํานาจของมานะความถือตัวความกําหนัดในอารมณ์ทั้งหลายความเครือดแคลงสงสัยความฟุ้งซ่านรําคาญหดหู่เครือบเคลิ้มอะไรต่อไรเนี่ยคือคือคือกิเลสมันไม่เต็มที่หรอก ก็ถือเป็นเสนาแมานแต่นั่นเองเสนาแมานกคือไม่ใช่ว่าโลภจัดจนถึงก็ไปป้นไปจี้อะไรเขาอ่นะไม่ใช่ตัวมานใหญ่แต่ก็เป็นลูกน้องมานมันก็คือมานด้วยกันก็เรียกว่ามานันกับเสนามานเสนามานก็คือมานที่อ่อนๆลงมาได้แก่ความรู้สึกที่มันอ่อนลงมาจากตัวแรงนะฮะตัวแม่ใจมันคือโลภโกรห ล, ลนี่มันก็แรงมากเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเพราะงั้นที่จริงเช่นว่ากามาฉันอย่างเงี้ยมันก็เป็นเสนามานอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันไม่แรงเท่าโลภะหรอก ไม่แรงถ้าอาภิชาวิสมะโลภะแต่ว่ามันก็เป็นกิเลสเป็นกิเลสหรือว่า อ, อ, อุปนาหะผูกโกรธไว้มันก็ไม่เหมือนกับโถดสะผูกโกรธไว้ต่นนั้นเองคือเจ็บใจแล้วก็ผูกใจเจ็บต่อบคุคคลทั้งหลายไว้มันก็ถือว่าเป็นเสนามานพวกหนึ่งเส น, นามานของพวกกิเลสทั้งหลายนะฮะแล้วก็รวมถึงไอ้พวกโรคภัยไข้เจ็บที่มาไอเสียดแทงร่างกายเนะี่ยก็ถือว่าเป็นเสนามานอย่างหนึ่งของมัจจุมาณ์นนะฮะ ของของของพวกมัดจุมาลส่วนประการต่อไปก็คือพวกบุญบาปนะฮะบุญบาปกับรูปปนะัจจานรูปปัจจานก็คือสังขารในในปัจจัยการนั่นเองสังขารในปฏิจจสมบาทนั่นเองในแง่แล้วมันก็เป็นมาร น, นะฮะเป็นมารสําหรับใครบาปนั้นเป็นมารสําหรับคนทุกคนแต่ว่าบุญนั้นเป็นมารสําหรับท่านที่จะเข้าไปสู่อรหันตเป็นพระอรหันต์รูปปัจจานรูปปัจจานก็เหมือนกันนะฮะ เป็นของดีสมหรัเราแต่ว่าเป็นกองไม่ดีสำหรัพระอระหรันต์คล้ายๆกับอะไรที่เคยยกตัวอย่างว่าการปฏิบัติธรรมมีลักษณะเหมือนกับเราอาศัยยานพานะข่ําข่ําฝั่งนะสมัยโบราณอุปมาเหมือนแพสมัยนี้อเรือก็ได้นะเรืออะไรก็ได้เครื่องบินก็ได้อะไรก็ได้นะแต่หมายความมันเป็นยานพานะเป็นที่อาศัยเท่านั้นเองเราจะต้องอาศัยเขาระยะหนึ่งแต่พอถึงระยะหนึ่งเราต้องทิ้งเขาไป ถ้าเราไปยึดติดอยู่ในเขาถึงสนามบินแล้วไม่ลงไม่ยอมลงเครื่องอย่างเงี้ยมันก็ติดอยู่ที่นั้นเพราะงั้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็กลายเป็นมานคือตัวขวางตัวขวางไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายของเราทำไมโบราณอุปมาเหมือนแพข้ามฟากเรื อ, อยังมีน้อยนะฮะอุปมาแพมันง่ายหน่อยมันชี้ได้ง่ายนะฮะพระพุทธเจ้าท่านจะอุปมาสิ่งที่ปรากฏง่ายอุปมาอะไรของพระองค์นี่คือคือว่าก็นั่งใกล้อะไรก็ก็อุปมาตรงนั้นแหละเห็นอะไรใกล้ๆแล้วก็อุปมาง่ายดีอ่า ก็อาจจะชี้ไว้หน่อยเจ้าเห็นปะาเหมือนกับแผ่ข้างฝาคือเราจะเห็นว่าในขนาดที่อยู่บนแผ่มันก็สนุกสนานไประยะหนึ่งแต่ถ้าเราจะต้องการขึ้นฝั่งแล้วเราต้องทิ้งแผ่คือเอาสองอย่างไม่ได้นะฮะเอาสองอย่างไม่ได้ถ้าจะอยู่ในแผ่ก็ไม่ต้องขึ้นฝั่งถ้าขึ้นฝั่งก็ต้องทิ้งแผ่การปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาก็เหมือนกันบางอย่างมันเป็นกุศลนะเป็นกุศลไปเรื่อยๆเลยแต่อย่างที่เคยอธิบายว่าพิสดารในวิสุทธิเจตอ่ะ ที่สุดที่เจก็ว่ากันหลายวัน น, ะนานมาแล้วนะรู้สึกเจราสองปีแล้วพวกนี้มันมีลักษณะอิงอาศัยกันคล้ายคล้ากับรถที่มันช่วยส่งเราเป็นผลัดเป็นผลัดเป็นผลัดเป็นผลัดไปเรื่อยนะพอถึงจุดหนึ่งจะต้องเปลี่ยนรถถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนมันก็หยุดแค่นั้นนะแต่ในในระดับการเที่ยวในระดับธรรมดามันก็ไม่เป็นมานอะไรนะ รดับธรรมดามันก็ไม่เป็นมารอะไรก็สนุกเพลิดเพลินอยู่ชั้นหนึ่งแต่สำหรับคนที่จะบรรลุมรรคผลในผ่านก็ถือว่าเป็นมานทั้งหมดเลยทั้งๆที่มันเป็นบุญนะฮะแม้แต่อะไรที่อย่างเคยยกตัวอย่างในวิสุทธิทเจตที่บอกว่าบําเพ็ญวิปัสสนามาจนถึงมัคคามัคคายานาทัศนาวิสุทธิมันมีมีอธิโมกความน้อมใจเชื่อมีปีติความเอิบอิ่มมีนิกันติความเพลิดเพลินมันมันดีตรงนั้นนะะดีตั้งนั้นเกิดขึ้น แต่ว่าสำหรับคนระดับนี้แล้วถือว่าเป็นมารแล้วเพราะจะทำให้ติดทั้นั้นเลยท่านเรียกว่าวิวปัสโนูิกิเลตเป็นอุปกิเลสของวิปัสนาทั้งๆ ท, ที่ว่าบุญส่วธรรมนะบุญส่วธรรมทัท้งหมดแต่มันมันมันเป็นตัวขวางไปแล้วสำหรับชั้นนี้นะสำหรับชั้นนี้เป็นตัวขวางไปแล้วก็ถือว่าเป็นมารไปด้วยดังนั้น แ, แม้แต่อรูปปัจานก็เป็นมาน อรูปปชาญเองนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งถือว่าสูงสุดระดับโลกระดับโลกิยะของเราเนี่ยก็ถือว่าสูงสุดแล้วแต่ก็สําหรับท่านที่จะบรรลุอรหัตก็ยังเป็นมารอยู่าสารุปว่าบาปเป็นมานสำหรับคนทุกคนนะบุญเป็นมารสำหรับพระริเจ้าอารูปปิชาญก็เป็นมานสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายคือขัดขวางไว้นะให้หยุดชะ ง, งักอยู่เท่านั้นแล้วต่อไปก็คือพวก มัจจุมานความตายนะความตายถ้าเห็นว่าพวกเสนาของความตายนี่ก็อะไรละ่ะพวกโรคภัยไข้เจ็บปวดหัวปวดท้องไอความวิปริตแปรปรวนธรรมชาติ ต, าต่างๆที่เรากาลังประสบ อ, อยู่นี่ก็พวกเสนามันทั้งนั้นเน่ยตัดทอดบรรลอน อ, อ, อายุสังขารของเราให้เสื่อมถอยลงไปแต่ความตายนั้นก็ถือว่า บางครั้งบางคราวนั้นเป็นมารที่ชัดเจนชัดเจนมากเช่นว่าคนกำลังทำความดีอะไรอยู่แล้วก็เกิดตายลงไปในขณะที่ความดียังไม่เสร็จหรือว่าทำงานเหล่านั้นยังไม่เสร็จก็ถือว่าเป็นมารที่มาขัดขวางประเภทผู้อาการละมรณะคือตายในยามที่ไม่ควรตายนั้นเราเห็นได้ชัดว่าแกเป็นมารชัดเจนแต่ว่าในในแง่ของของความเป็นจริงก็ต้องถือว่าเป็นมารทั้งหมดะเพราะว่า ตัดร้อนล่างผรานชีวิตของบุคคลให้ขาดไปอระการต่อไปก็คือเทวบุตตมานมานคือเทวบุตรได้แกเ่เป็นเทวดานะฮะแต่ว่าก็มีนิสัยเป็นอันธพานคอยขัดขวางเบียดเบียนบุคคลอื่นเช่นไปรบกวนพวกพระพวกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ก็ยังสารแน่ไปรบกวนเรยพวกมารไปเที่ยวปลอมตัวไปเที่ยวหลอกแต่พระพุทธเจ้าทัานรู้ รู้ทุกชีเลยพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็รู้แต่ ถ, ถ้าถูกองค์ไหนไม่รู้ก็ถูกหลอกลวงมามากซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็น่าดีใจนะฮะคือพระอาหารหันต์ของเรานี่ไม่พระอริย บ, บุคคลของเราไม่มีใครเที่ยวบุตรมารทําอะไรไม่ได้เลยสู้พระเยซูไม่ได้พระเยซู ถ, ถูกซาตานหลอกแต่น่าเอ็นดูเลยหัวหมุนหมดเลยแต่ของเราไม่มีนะฮะ คือไม่มีภิกษุณีหรือสามนเณรในสามนเณรรวบาสกบาติกาไม่มีใครที่ถูกมารกระชากไปได้ถ้าเข้าถึงจุดที่เป็นพระยะบุคคลแล้วนะฮะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยมารจะฉุดกระชากไม่ได้แล้วแต่ถ้าบุตุชนไม่รับประกัร น, นะ <c oughs> ก็อยู่ในขั้นในรับประกันได้เฉพาะพูดถึงกระแสแต่นั้นเองคนที่รับประกันได้ก็เพียงพระโสดาภิกษุกิทาคานาคาลาหัน <c oughs> พวกนี้จะไม่หวนกลับไปสู่อํานาจของมาร ปิดประตูจะตุระบายได้แล้วก็ไม่ทำกรรมหนักจะรับประกันพวกนี้พวรรับประกันแต่สมาชิกผู้ทุกชนก็ยังไม่มีใครรับประกันได้นอกจากว่าคนนั้นจะรับประกันตัวตัวเองนะฮะแต่ก็ไม่แน่ว่าบางครั้งบางคราวคนเราก็เดินมาดีๆึงอาจจะถูกล่อ ด, ด้วยรับล่อ ด, ด้วยอะไรต่ออะไรก็ อ, อาจจะกัดแหว่งสับสนไปได้ พวกมารเหล่านี้เป็นการทําลายได้อย่างเด็ดขาดด้วยการบรรลุอาสวรรคานนะอานสวรรานเมื่อบรรลุอานสวัขยานแล้วก็ชื่อว่ามารกรสนามาร์ก็ได้หมดสิ้นไปพระพุทธทานทั้งสมข้อนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นพระยานของพระพุทธเจ้าแล้วก็มา จริงที่ก่อตัวให้ให้เกิดความรู้เห็นประจากชัดเนี่ยท่านจะท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็โยงมาอยู่ที่ใจรักษณเรามาอยู่ที่ใจรักนะฮะใจรักเราเราพิจารณาอะไรพิจารณาโลกในแง่ที่มันเป็นเป็นทุกขตาคือความเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยเกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยแล้วก็ไม่มีอะไรที่คงสภาพเดิมของมันได้มันเปลี่ยนก็มันเรื่อยเลยเปลี่ยน จะเปลี่ยนขึ้นหรือเปลี่ยนลงมันก็เปลี่ยนนะฮะก็เปลี่ยนทั้งหมดได้แล้วก็มีการเบียดเบียนมีการแผดเผาก่อให้เกิดความร้อนร้อนเป็นทุกขเวทนาด้วยประการต่างๆนี้ก็มองแง่มองมองเห็นว่ามันมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการอะกันออพ อ, อจุดนี้เกิดความเข้มข้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็กลายกลายเป็นญานเพราะงั้นาการเห็นใจรักแต่ละสายนะ ใจรักแต่ละสายนั้นจะทําให้เห็นจุดอื่นแต่แท้ที่จริงท่านจะเริ่มโดยการเห็นจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่ า, าทุกองค์จะต้องเห็นครบทีเดียวหมดสอย่างไม่ใช่งั้นนะจะเห็นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อเห็นจุดหนึ่งแล้วจะเห็นจุดจุดอื่นเองเอาบางองค์อย่างพวกพระปัญญบัคีทั้งก็เห็นที่อนัตตก่อนพวกปัญญบัคีทั้งก็เห็นที่อนัตตก่อนดังนั้นเวลาเราเรียกการเห็นตามใจรักหรือสมาธิที่ ยกจิตขึ้นพิจารณาตามบรรลักษ ก, ก็มีชื่อต่างกันมีชื่อสามชื่อนะความหลุดพ้นของจิตก็เหมือนกันก็เรียกชื่อสามชื่อตางการเห็นบรรทายลักษ์ถ้าเห็นอนัตตาก่อนท่านเรียกว่าสุญญตะวิโมกคือจิตหลุดพ้นเพราะเห็นความว่างนะความไม่มีแก่นสารอะไรถ้าเห็นทุกขังก่อนนะท่านเรียกว่าอปินิตะวิโมกคือหาที่ตั้งหาที่กําหนดหมายไม่ได้ถ้าเห็นอนิจจังก่อน ทานก็เรียกว่ า, อ, าอันนิมิตตาวิโมกคือไม่มีเครื่องหมายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอะไรแต่ว่าอย่าลืมนะฮะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิงกส่งนั้นใจตัวใจตนสิ่งใดใจตัวใจตนสิ่งนั้นไม่ใจของเราสิ่งนั้นไม่ใ่เราสิ่งนั้นไม่ใจตัว <c oughs> ใจตนของเราจะเดินเองจะเดินเองพอเห็นสักองค์แล้วจะเห็นเองใจรักนะ heads, ใจเห็นเองอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระบัรญาวคีเริ่มที่อนัตตา หน้าตาที่โยมเคยฟังมาก็จะเห็นว่าพอมาถึงช่วงที่สองพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงอันนี้จังทุกขังแต่ถามมาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ได้พูดสักคำหนึ่งนะครั้งหน้าเนี่ยไม่ได้ถามแต่คำพูดเรื่องหน้าตามาตลอดแล้วเสร็จแล้วมาถึงถามมารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระพุทธคีร์ท่านตอบไ ด, ไ, ไ, อได้ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะอาสิ่งใดไม่เที่ยงที่นั้นเป็นทุกข์ริษุเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานะั้นเป็นการต้องควรไหมที่เราจะยึดถือของเราเป็นเราเป็นตัวเป็น ต, น, ตนของเรานะท่านปัญญวคีก็บอกโน่เหตังบันเตไม่สมควรเลยพระเจ้าข้ า, าตกลงว่ า, อาสอนปัญญวคีนั้นสอนที่อนัตตาอนิจจังแล้วก็ทุกขงังมันไม่จําเป็นจะต้องต้อ ง, ต, องต้องเรียงต้องเรียงอะไรก่อนอะไรหลังนะฮะปัญหาว่าใครเห็นตรงไหนก่อน เห็นอน <sorta> ัตตาก่อนก็ได้แต่มาเสร็จแล้วท่านจะเห็นอนิจจังทุกขังเองหรือเห็นทุกขังก่อนก็ได้จะเห็นอนิจจังอนัตตาเองหรือเห็นอนิจจังก็เห็นทุกขังอนัตตาเองเพราะมันจะเกี่ยวเรื่องเกี่ยวพันกันไปและจากการเห็นเหล่านี้เองมันพอปริมาณสูงสุดขึ้นแล้ก็แยกอะไรได้ชัดเจนแยกได้ชัดเจนเช่นสมมติอนิจจังประเด็นก็อนิจจังประเด็นที่สําคัญที่เราเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งหลักๆนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีลักษณะของเหตุปัจจััยที่่หนนนนุเืองกมา พอดูไปดูมามันก็เห็นเฉพาะดับเห็นเฉพาะ ด, ด, ดับดับดับก็ดับไปเป็นแถวไปเลยดับเป็นแถวไปก็เห็นเฉพาะสิ่งทั้งหลายนั้นมันเหมือนกันน้ําที่ไหลาจากที่สูงมันไหลลงไหลลงสู่ที่ต่ำไม่มีการไหลขึ้นจะมองเห็นชีวิตในลักษณะอย่างนั้นแล้วจิตมันก็จะเดินไปเข้าไปในในในองค์ฌานนะที่ท่านท่านทั้งหลายอาจจะเคยฟังพวกฌานพวกพวกยาน16กอะไรต่อะไรเนี่ยแต่ที่จริงมันก็เริ่มมีปรัสนามาจาก การกําหนดดูนามารูปกําหนดดูนามารูปให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาหรือว่าเราดูว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะนะมันก่อนนี้พบลูกศิษย์เขาเรียนทางจุลชีพนะฮะเป็นด็อกเตอร์มาบอกไอ้จุลชีพนี่ที่จริงมันดีนะใช้กล้องสองดูแล้วจเจริญนวิปัสนาจะบ้างก็ดูว่าเป็นวิปัสนาจะบ้างอย่าดูในแง่เป็นจุนลชีพอย่างเดียวเพราะไอ้กล้องนี้นะฮะอิเล็กตรอนไมโครโสโคปเนี่ยมั น, ม, นมันเห็นทีเยิบเนี่ย เกิดดับทียิบเลยก็คือเห็นด้วยปัญญาเองแต่พระพุทธเจ้าทําให้ใช้กล้องนั่นเองไม่ใช้กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปแตที่จริงก็คือเห็นแน่เดียวกันเห็นอย่างนั้นมันเกิดดับทียิบจนดูไม่ทันเลไม่ว่าอะไรก็ตามทียิบไปหมดเลยใช้เครื่องระดับนี้ของพระพุทธเจ้านั้นใช้ปัญญาดูเอง ดูมันก็เห็นเหมือนกันอย่างที่ใช้อิเล็กตรอนไมโครสโคปเห็นแต่ว่าของพระเจ้าเห็นได้เร็วกว่าแล้วก็ชัดกว่านะฮะเพราะว่าอิเล็กตรอนไมโครสโคปนี่ก็ยั ง, ย, งยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่อัดไม่เห็น ท, ทั้งที่แกขยายได้เป็นพันพนเท่าก็ยังมองไม่เห็นอยู่ส่วนพระปัญญาเรื่องตรัสรู้ของพระเจ้าจะเห็นความแตกดับในลักษณะที่เร็วแล้วก็แบบฉียิบจนไม่ติดอะไรได้ ลอยวางไมหมดมันมันก็เหนื่อยหนายนะเหนื่อยหนายคลายกำลังคลายนิตรเอาเรื่องอะไรกับมันเนี่ยมันมันมันไหลลงไปอย่างเงี้ยไหลอยู่ตลอดเลยก็ในที่สุดไอความเปลี่ยนแปลงทางจิตมันก็เกิดเกิดขึ้นโดยลําดับนะเกิดขึ้นโดยลําดับจนเห็นความเกิดแล้วก็ดูความดับมองเห็นสังขารเป็นของหน้าหวาดหน้ากลัวนะเมื่อมองเห็นหน้ากลัวก็หาทางที่จะหลีกหนีให้พ้นไปจากสังขารเหล่านั้นก็ความเปลี่ยนแปลงทางจิ ต, ม, นะ ม, จตมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ในที่สุดมันก็ออกมาในแนวที่ที่เป็นพระพุทธอุทานนั่นเอง แตนั้นหลักหลักนี้จึงเป็นหลักที่ยุติตายตัวนะฮะหลักยุติตายตัวก็ไม่ว่ายัางไงแล้ว พ, พอพูดใจรักมันก็องอย่างนั้นทุกทีก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะก็เป็นอย่างา น, านั้นทุกทีลักษณะของนิจจังแกก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแล้วเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตั้งอยู่นั้นที่ที่จริงมันดูไม่ทันนะฮะมันตั้งอยู่ที่จริงมันเปลี่ยนนะฮะตั้งอยู่นั้มันเปลี่ยนเ็มัเพราะมัน จรงก็คือดับดับดับดับดับดับดับในลักษณะที่จีจิพอมาถึงพวกอนัตตานะฮะอนัตตาก็มองอะไรอ น, นิจจังก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะแล้วก็ดำรงอยู่ได้เพียงขณนะขณนะเท่านั้นเองไม่ว่าอะไรก็ตามดำรงอยู่ไปขณนะออพอมาถึงอนัตตาก็มองเห็นว่า เลาก็จริงแล้วไอ้ของเรานะฮะของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราแ ต, แต่นี่พูดเรื่องมรรคผลนะฮะสมัครชาวบ้านทัว่วไปก็ต้องมีของเราไว้บ้างนะคือระดับโลกกับโล ก, กุตระนั้นมันก็อยู่คนละอย่างกันฮนะอยู่คนละด้านนั้นจะเห็นว่าระดับโลกก็คือต้องของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรานะแต่ว่าถ้าแรงเกินไปไม่ได้นะฮะแรงเกินไปไม่ได้ต้องอยู่ในจุดในจุดที่ใช้งานได้ก็เหมือนกับไฟที่เราคุมมันได้ ย้ายมันคุมเราหรือลุกไหม้เราระดับโลกกุตระมันก็ต้องตรงกันข้ามคือไม่ใช่เราไม่ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช่ตัวของเรามันตรงกันข้ามนะก็ก็พริกเหรียญกนลด้านพลิกเหรียญกันลด้านแต่นั้นเองตรงกันข้ามแต่นั้นเองระดับโลกต้องมีเรื่องแบบนี้พอพริกกลับมันก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้คือหมายความว่าถ้าหัวก um, ็ไม่ก้อยถ้าก้อยก็ไม่หัวจะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้น เมื่อหัวปรากฏก็ยอมรับความเป็นก้อยอีกด้านหนึ่งอยู่นะฮะไ ม, ไม่ไม่ถึงกับทอดทิ้งก้อยไว้เลยยอมรับเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระไทยเป็นโลคุตระแต่ว่าใช้จิตที่เป็นกามาวจรนะฮะคือพูดภาษาคนๆกันกับชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่พูดภาษาโลกุตระนะฮะภาษาโลคุตระก็จบกันพอดีคือคนไม่ต้องฟังเตียกันก็พูดภาษาคนๆพูดภาษาคนๆที่คนเข้าใจได้อ่าเพื่อให้เป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติ แต่สิ่งที่พระองค์สัมผัสมานั้นเป็นการสัมผัสในลักษณะที่ค่อยๆ ค, คืบคลานเกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาโดยลําดับเราจะเห็นว่าเห็นทำว่าเกิดมาจากเหตุแล้วก็พร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งปัจจัยจนถึง เ, เห็นเห็นในแง่ทั้งเป็นเหตุเป็นปัจจัยคือทั้งทั้งทั้งทั้งตัวเหตุใหญ่และก็ปัจจัยประกอบอย่างว่าปัจจัยการเนี่ยวิชาเป็นเหตุใหญ่นอกนั้นมันก็ประกอบมันแบบปัจจัยตอนนั้นเองถ้าวิชาดับปัจจัยทั้งหมดก็ดับ เหมือนกับคนเรานะไอตัวเหตุหลักก็เหตุไปตัวปัจจัยก็ปัจจัยไปถ้าตัวเหตุยังดำรงอยู่คือลมหายใจยังปลนปรือกายยสังขารอยู่นะมือขาดตะข้างหนึ่งแขนขาดตะข้างหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าลมหายใจดับแล้วก็กเลิกพูดปัจจัยทั้งหมดมันก็ดับ เ, เมื่อปล่อยวางความยึดถือมันก็เป็นการขจัด ข, ขจัดมานเสนามานออกไปได้นี้ก็เป็นเหตุการณ์ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพลนะฮะใต้ร่มพระโพธิญาณ ต, ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจัดทรู้ใหม่ๆในเจ็ดวันแรกแล้วก็พิจารณาอยู่เรื่องนี้เยกลับไปกลับมากลับมากลับไปแล้วก็เปล่งอุทานขึ้นแต่ละจังหวะสมบัตินี้ก็ยึติดลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพยบุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุรชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเตือน